คำว่าจงใจคือรู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจฝาฟื้นล่วงละเมิดคำว่าขอความไม่ผาสุกคือภิกษุณีผู้ขอความไม่ผาสุกนั้นคิดว่าวิธีนี้จะทำให้ภิกษุณีนี้ไม่ผาสุกไม่ขอโอกาสจงครงบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างยกขึ้นแสดงเองบ้างใช้บุญให้ยกขึ้นแสดงบ้างท่องบทบ้างอยู่ข้างหน้าต้องอบัตปาจิตตี